อันที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอ ย, อยนี่นะเคียดแค้นนั่นเอามาเป็นกําลังใจจะเอามันให้ได้ น, ะนี่มันเียดแค้นอย่างนั้นนะไม่เครีแค้นอย่างที่ถอยนะ่ะพอมันถึงขั้นของมันนอมี่รั้งมาอยู่เลยล่ะมเวลาทำอํนานาจของทำมันมีแล้วทำมีกําลังแล้ว ทำเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันนี่กระดิกมาแพาจากหัวใจเป็นกิเลสทั้ททงนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสฆฆติดูดูไม่รู้นะนันกระดิกออกม า, ใ น, ามในความที่ความปรุงเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเหมือนวัวปากขอของมันไหลออกไหลออกอยู่ปากขอบกิเลสทั้งนั้นไหลออกไหลออกเที่ยวหากินวิรนเพี้ยนเวิรนเพี้ยนเพี้นผ่านเพี้นผ่าน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 ชุนลมุนหรือตลุมบอลตลุมบอลเราจะหาเหตุทาผลไม่ได้เวลาตลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับทําเมื่อเวลาทํามีกําลังแล้วก็หาเหตุทาผลไม่ได้เหม <previous> ือนกันนะเรื่องข่าขี้เหล็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุทาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนเพมันติวต่วติวต่วติ่วอยู่นั้นเลยอยู่ที่ไหนขี้เล็กมันก็พังอยู่ี่ไหลขี้เหล็มันก็พังไหนขี้เหล็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดตลอดตลอดตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นเป็นในขนาดนั้นน่ะ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 พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็น็นถึงขนาดที่ว่าลั่งเอาไว้ฟังที่ลั่งเอาไว้คือมันเทินใน ง, งานในการค่ายิเดศในการขุดค้นหากิเดศนั่นเป็นงานของจิตลั่งก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบ พ, พักเอากาลังนั่นคุณางาน พอกิดออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกจากที่สงบปั๊บมีพุ่งเลยนะพุ่งพุ่งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องอย่างนี้เลยอะไรไอ้หนร้อนเลยยิ่งไงยื้อไปสู่ไอ้นี่ลูกดิกลูกหลิกไอ้อ้วนไปไหนฮะไอ้อ้วนไม่เห็นเป็นงมึงวะเะมึงทไมลูกิกหลิกนั่งอะยไอ้ลวด นี่อ้วนวันนี้อ้วนเท่านี่น่ารักเลยแ่้วอ้วนเท่า น, นั้นมันดีแบบนึงองอ้วนอาถารนี้มันดีมันเป็นแวแบถ้าดูส น, นุกดูนะมิสไของสอมเรียกมันเเหมือนมันลูกเป็ น, นลูกพระนะรักยังไง ก่อนอ้วนมาที่แรกตัวอ้วนอ้วนมาขี่รถไปมดน้อยบ้านยิมกายนะพขึ้นมาขี่รถรถนี้เรต้องเช็ดต้องล้างเลยนี่มาทีแ่แรกตัวอ้วนอ้วนหูตุบๆเล่ติดปากเรียกอีวันอ้วนแมวมันเหนื่อย สติ ป, ปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายใ น, นยมันมันไม่ถอยที่กำลังใจหมีไม่ถอยนี่นถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่าเมื่อไหรนะ่น่ะมันถึงได้หยุดที่เรา มันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความกิงมันต่างกันความคาดกันเองเราคาดกันเองว่าแต่ก่อนว่าการมันเพลิเพียนนี่พอกินแล้วอย่าก็ท่ายแล้วความเราความเพียนก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไ ป, ยไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดเปลีนกันนี่นะมีเราคาดอาไว้แล้วความจรินมันไม้เป็นอย่างนั้นเวลาสบายก็สบายเช่นอย่างจิตเป็นสมาธิก็สบายนอนเหมือนหมูจริ อือมค่ากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้อพอออกทางด้านปัญญาออกว่ไหนมีแต่ออกค่ากิเลสนั่นนั่นอมันก็เพลินพอเพลินลน้องก็ไปใหญ่เหนื่อยเพียนะี่ยทํางานแล้วก็เอ๊ะเมื่ อ, อไหร่มันจะได้หยุดทุกทีนี่คือว่าแต่ก่อนน้องมันจะสบายสบายไ ป, ยไปมันมันไม่ไกลับมันกลับบุญค่า ม, มันได้เป็นอย่างนั้นความจริงแล้ว คือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกับน้องมวยต่อยกันเนี่ยระหว่างทำสติธรรมปัญญาธรรมของพี่เดียดฟาดกันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันเอาความสุขมาจากไห น, นทีนี้มันอดคิดไม่ได้ที่ว่าที่เราคิดว่าเจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นว่า แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ทีนี่มันว่าแล้วนะตําหนิเจ้าของหรือตำหรือตำหนิอันนั้ น, น่ะว่าเราคาดไว้อย่างนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะมันเป็นคนละโลกนลีก่หลอกกันมาว่าอีเมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะอนทนมันอย่างนี้ตลอดตลอดนี่เรากวิตกได้ชั่วคู่คู่เดียวยามเยาวตอนนั้นนะพออยู่จิวิตกู้าพมันก็พุ่งอยงแล้วแหละนั่น มันเป็นเองเหาะมันเปนอย่างนั้นนะพุ่งพุ่งพุ่งหมุนติ๋วอย่างนี้เคยกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอมไปสุดฤทธิ์มันจริงจริงแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองนไงสุดฤทธิ์มันมันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็มันก็อยู่ เป็นเองไม่ต้องบงังคับให้ให้อยู่ที่บงังคับให้อยู่อัเรื่องสติบัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติแล้นหนึ่งอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จึงว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจําความคาดหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความจํำความจริงจึงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเรายิน เพราะว่าอันั้นเป็นนั้น น, นเป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาติ น, นั้นตามความจริงไปได้ยินสิ่ง น, นั้นตามความจริงแล้วมันจะมันไม่เหมือนกันในอย่างนี้แหละที่ว่าความจำมจริงไม่เหมือนกันอพอไปสุดลิบมาแล้วมันก็เหมือนคนไม่จว <c oughs> พูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะ เป็นคนโลกไปเลยว่างั้นแหะกับ <c oughs> ความเคยเป็นหมุนดิบดิบ <c oughs> จะว่าไม่มีปัญญาหรือมันก็าามามันไม่ใช่มันอ ย, อยู่เฉยอยู่เงนที่นี่สติสตรู้อยู่ทท่านั้นจะไปยุ่งของอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ ยไปคิดพิจารณาพวก้าวขเล็ตัวอะไรก็ไม่เลยนะไม่สนใจอะไรกันเลยนี่แล้เดินหนึ่งกลุ่มไปเห็นิ้งจกจิ้กะไเล่นกับมันูเชีไม่ใช่เดินหนึงกลุ่มมันอะไรกัเนเล่เล่นอันนั้นมันทามีเป้ามหมายหนึ่งนะเล่นเพราความต้งการ มันอย่างสจะทำยังถึงวัฏจักรวัฏจิตยินในใจของสัตว์น่ะจิตมันมันมันเจาะเข้าไปตรงนั้นนะมันถือนั่นเป็นหลักใหญ่เล่นทักสัตว์มันก็มีอย่างนั้นนะไม่เล่นแบบพ้อเพลินเหมือนอย่างที่เคยเป็นเคยนั้นมาแต่ก่อนผิดกันอะไรอันนี้หรอ <c oughs> ในวัวนวันก็้นมือว่าสองล้อนมึนนะนี่เท่าไหร่เนะ